หน้าเก่าๆทั้งนั้นนะ <c oughs> ไปไหนก็เจอหน้าหน้าอย่างนี้แหละที่จริงคนเข้าวัดมีจํานวนไม่มากนะอยมีนิดเดียวสถานที่แห่งนี้นะหลวงพ่อเคยมาตั้งแต่หลายปีมาแล้วตั้งแต่ก่อนจะสร้างที่นี่เมื่อก่อนมีการอบรมกรรมฐานครูบาอจารย์วัดป่าทัานมาในที่บ้านหลวงฉินในหมู่บ้านนี้ มาบ้านหลวงชินไม่พอเลยมาสร้างตรงนี้ขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตามาสืบต่อกันมาเรื่อยมีอยู่องค์หนึ่งคือครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเองคือหลวงพ่อปุธหลวงพ่อปุตท่านก็เคยสั่งต่างกันต่อๆมาบอกว่าอย่าทิ้งที่นี่ริงสถานที่นี้อันนี้ที่นี้ทําประโยชน์ให้กับคนมากีนหลวงพ่อเอง ตอนไปบวชใหม่ๆไปอยู่ที่เมืองกาโยมทางสารูชินยมพิกิตติยมี่จิ๋วี่จิ๋วรูปรูคิดไปยไปนิมนต์หลวงพ่อบอกให้มาที่นี้หลวงพ่อก็ปฏิเสธมาตลอดนะเพราะว่าเราเป็นพระใหม่เธอเลือดสลามมันคงไม่ดีน่าเกลียดนีนต่ตอนนี้ผมวงพ่อย้ายวัดไปอยู่ศรีราชาที่ศรีราชานี้ มันใกล้นะใกล้กรุงเทพแต่ว่ามันไม่ค่อยมีรถไปจาําถาี๋ัวพ่อก็นึกถึงคนซึ่งเดินทางยากจะไปหาหลวงพ่อที่สีราชาเป็นยากพอดีพวกเด็กกลางธรรมคุณธนาคุณเล้กพวกนี้ไปให้มาช่วยสอนในกรุงเทพที่ได้จะชวนไปที่บันานาเนีายนะ่มาที่นี่ดีกว่าจริงๆก็คือ ผูกพันกับที่นี่มานา้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านนั่งสอนคนนี้ท่านไปซะเยอะและ้วหลวงพ่อเลยย้ายไปอยู่รวมข้างล่างยังไม่อยากตามท่านไปเร็วนะพวกเราสนใจธรรมะนะดีที่สุดนะแต่ก่อนเข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์ท่านจะบอกตลอดเลย ธรรมะมันง่ายนะการปฏิบัติจริงๆเป็นเรื่องง่ายทำแล้วมีความสุขมีความสุขมากนี่นเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้อง ช, ชีวิตของเราจะพบความสุขอย่างรวดเร็ว ม, มากเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์จิงๆนะอัศจรถ้าทําถูกต้องเนี่ยใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าทําไม่ถูกต้องใช้เวลานานที่ไม่ถูกต้องก็คือไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้พวกเราหนีชาวพุทธจริงๆต้องเป็นนักต่อสู้ไม่ใช่คนขี้แพ้ความทุกข์อยู่ที่ไหนท่านสอนให้เราเข้าไปเรียนรู้ที่นั่นความทุกข์อยู่ที่กายของเรานี้ถ้ามาเรียนรู้ที่กายความทุกข์อยู่ที่จิตใจถ้ามาเรียนรู้ที่จิตใจของเราที่จริงแล้วคนก็สแสวงหาทางคนทุกข์มาตลอด ใจก็อยากคนทุกข์ทั้งนั้นก่อนพระพุทธเจ้าเขาก็แสวแหงหาทางคนทุกข์กันกระทั่งหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรมันก็แสวแหงหาทางคนทุกขอ์ออกมันี่การแสวแหงหาทางคนทุกข์ที่มีมาตลอดเนี่ยมันก็แสวแหงหาไปได้ตามชั้นตามภูมิตามความเข้าใจตามสติปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนหาทางคนทุกข์ในการสเสพสุข แสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจเช่นรุ่มใจขึ้นมาไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาอะไรสวยๆดูไปทัศนจรไปหาของ อ, ร, อร่อยๆกินแก้กลุ่มหรือไปคิดอะไรให้เผลอๆเปรืปนๆ น, นี่ก็เป็นวิธีหาความสุขอย่างหนึ่งหาความสุขอย่างโลกๆหาความสุขโดยอาศัยการกระทบทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจ วิธีหาความสุขอย่างนี้พวกสัตว์ในฉานก็ทำเป็นเช่นมันหิวขึ้นมาก็ไปหาอะไรกินกินอิ่มแล้วมีความสุขนี้ตามมาคนมีสติปัญญามากขึ้นเห็นมาลำพังวิ่งหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไม่สุขจริงหรอกต้องเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจไปเรื่อยๆมันขึ้งพิงสิ่งภายนอกมากไปหลายคนก็เลยมาหาความสุขทางจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะพวกาวัดทั้งหลาย มีความรู้สึกขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเลยแตว่าถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ในอำนาจของเราได้เราจะมีความสุขงั้นก็เลยเกิดการแสวงหาความสุขวิธีที่สองขึ้มนมาก็คือการรักษาใจของเราให้ดีคนด่าใจเราก็เฉยคนชมใจเราก็เฉยวิธีหาความสุขอย่างนี้ก็เพื่อตัวเราจะได้มีความสุขอันนี้ก็ยังไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าทีเดียว เป็นการปรุงแต่งฝ่ายกุศลปรุงแต่งความดีขึ้นมาแลชีวิตจะได้มีความสุขอย่างคนดีๆสุกอย่างคนดีได้ก็ทุกอย่างคนดีได้นี้บางคนฉลาดกว่า น, นี้อีกเห็นว่าถ้าตราบใดที่ยังต้องคอยรักษาจิตใจเอาไว้มีการกระทบมันพลายกระเทือนต้องคอยรักษาอยู่เรื่อยๆยังไม่สุขจิตอีกพวกหนึ่งก็เลยคิดพัฒนาขึ้นไปถ้าเราไม่ต้องกระทบอารมณ์ซะเลยมันจะมีความสุข วกนี้ก็ฝึกเข้าฌานกันนะฝึกเข้าอรูปฌานฝึกเข้าอาสัานยีเป็นรลมลูกฟักหรือเข้า อ, า ร, ปปาอารูปฌานไม่รับรู้โลกภายนอกไม่สนใจโลกภายนอกไม่มีอะไรมากระเตือนไม่มีสิ่งใดมากระทบพอไม่มีอะไรมากระทบใจก็ไม่ต้องกระเตือนเนี่ยในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานี่วิธีหาความสุขมันมีสามแบบแบบนี้อันแรกจะหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจ ัอบสนองกิเลสไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขการหาความสุขอย่างนี้เป็นความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลเรียกว่าอากุญญาพิสังขารหรือเป็นความสุดโต่งในข้างที่เรียกว่าการมาสุ ข, ขันธิการุโยคตามใจกิเลสแล้วมีความสุขอย่างที่สองที่คอยควบคุมคอยบังคับตัวเองอันนี้เรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายกุศลเรียกกุญญาพิสังขารหรือเรียกอัตติปิรมัฐานุโยค การบังคับควบคุมตัวเองความปรุงแต่งอย่างที่สามหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เรียกอาเนนชาที่สั่งการเน่ยในโลกมีความปรุงแต่งสามอย่างนี้ความปรุงแต่งสามอย่างนี้กระทาไปเพื่อตอบสนองอัตราตัวตนทั้งสิ้นเพราะเราไม่รู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเราคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้เราตัวเราพ้นทุกข์ก็เลยต้องทิ่โดนปรุงแต่งสามแบบนี้ นี่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดแหลมคมท่านบอกว่าระดับใดที่ยังปรุงแต่งอยู่อย่างนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดมันแก้ปลายทางท่า น, นตรงจุดจริงๆก็คือตัวตนมีไหมถ้ามาศึกษาศึกษากายศึกษาใจของเราเองจนวันนึงปัญญามันแจ้งกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็าาปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือใจได้พระอวิชาอาวิชาคือความไม่รู้อริยสัจ ความไม่รู้อริยสัจข้อที่หนึ่งความไม่รู้ทุกข์คือเราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เราคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเป็นตัวดีเป็นตัวดีตัววิเศษเราก็ต้องดิ้นรนอยากให้มันดีไปเรื่อยอยากให้มันสุขไปเรื่อยอยากให้มันพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถเรียนรู้รู้เข้ามาที่กายรู้ลกเข้ามาที่ใจในวิธีการของพระพุทธเจ้าเรียนรู้ลงมาที่กายที่ใจตัวเอง จนเห็นความจริงเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุความดิ้นรนห่วงแผนร่างกายก็จะสลายไปหรือเรียนรู้ลงไปที่จิตใจเห็นเลยจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุขก็ชั่วคราวนะทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาถึงจิตถึงใจเราล้วนแต่ของชั่วคราวกันนะกระทั่งตัวจิตตัวใจเองก็ของชั่วคราว จิตเดี๋ยวก็เกิดทางตาแล้วก็ดับไปเกิดทางหูแล้วก็ดับไปเกิดทางใจแล้วก็ดับไปมิตรของชั่วคราวทั้งหมดพอเห็นอย่างนี้เห็นความจริงแล้วจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราที่เที่ยงแท้ถาวร อ, อะไรความยินรนที่จะให้จิตมีความสุขความยินรนที่จะให้จิตพ้นทุกข์มันก็จะสลายไปความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเกิดจากการที่จิตใจของเราฉลาดรู้ความจริงของกายของใจจนมันหมดความยินรนการที่เรารู้การยรู้ใจถึงเรียกว่ารู้ทุกข ครูบาอาจารย์สอนมานะอย่างหลวงพุเทศเคยสอนบอกรู้ทุกข์นั่นแหละละสมุทัยถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ า, าใจนี้ใจนี้ไม่ใช่เราะละสมุทัยคือละความดิ้นรนใจมันจะเลิกดิ้นรนเที่ยววิ่งหาความสุขเลิกดิ้นรนเที่ยววิ่งหนีความทุกข์ใจที่มันเลิกดิ้นรนมันจะเข้าถึงความสงบสุขทแท้จริงอันนี้เรียกว่านิโรดนิโรธหรือนิพานนั่นเอง คือความสงบความระ ง, งับจากกิเลสจากตัณหาจากความวุ่นวายหลุดพ้นออกไปจากขันธ์จากกายจากใจนี้มีกายมีใจสักแต่ว่าอาศัยอยู่เท่านั้นแต่เป็นผู้ปฏิบัติจะรู้สึกตลอดเวลาเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะกายนี้เป็นของโลกยืมโลกมาใช้ชั่วคราวจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นนามนธรรมอันหนึ่งเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเห็นอย่างนี้ใจจะพ้นทุกข์นะใจจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริง ห น, หน้าที่ของพวกเราก็คือคอยรู้กายคอยรู้ใจมากๆไว้รู้เข้าไปมากๆากจนมันเข้าใจความจริงเครื่องมือที่จะรู้กายรู้ใจของเราเรียกว่าสติการที่เข้าใจความจริงเรียกว่าปัญญาสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาเข้าใจสติเป็นตัวระลึกรู้อะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้อะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้รู้มากเข้ามากเข้าปัญญามันเกิด เ, เกิดความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจพอเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจไม่ใช่ตัวเราความดิ้นรนในใจจะหมดไปทิศที่หมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งนั่นแหละทิศเข้าถึงสันติสุขหรือนิพพานนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งในพระพิธรรมจะสอนชัดๆเลยนิพพานมีสันติลักษณะมีลักษณะสงบสันติสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากอะไรสงบจากขัน กันก็คือกายกับใจเรานี่เป็นเครื่องเสียดแทงนี่หน้าที่พวกเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจตัวเองกรรมฐานเนี่ยถ้าเลยกายเลยใจของเราออกไปแล้วก็มันเสือแปดมันอ้อมค้อมแปดงั้นให้คอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจครูบาอาจารย์รูปหนึ่งเนี่คยสอนหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อยังไม่ได้บวชแต่ถ้าสรุปให้ฟังง่ายๆนะมันบอกว่าการปฏิบัตินเนี่ยนะ ให้มีสติรู้ลงที่กาย ร, รู้ลงที่ใจอย่างเป็นปัจจุบันมีเท่านี้เองมีเท่านี้เองคุูบาอ จ, จารย์รูปนี้ตอนนี้ท่านก็ยังอยู่นะเป็นเสาหลักของสายวัดตาเราเราเ ร, ารู้อยู่ที่กายหรูออยู่ที่ใจนี่ทำยังไงเราจะรู้กายรู้ใจได้ตัวนี้เรื่องสำคัญเราต้องเรียนต้องค่อยๆศึกษาเราจะรู้สึกว่าเรารู้กายรู้ใจตัวเองอยู่แล้วในความเป็นจริง ในโลกนี้ไม่มีคนรู้กายรู้ใจตัวเองหรอกมีแต่คนหลงมีแต่คนเผลอคนที่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้มีนับตัวได้มีนับตัวได้ส่วนมากก็คือเราจะตื่นขึ้นมาแต่กายแต่ใจของเราเนี่ยจะคิดคิดฝันฝันไปทั้งวันใจเราไม่ตื่นนะใจเราจะคิดใจเราจะฝันไปเรื่อยๆเราจะต้องค่อยๆฝึกจนใจของเราตื่นขึ้นมาตื่นทั้งกายตื่นทั้งใจนะ จิตใจที่ตื่นขึ้นมานั่นแหละคือตัวพุทโธที่เรีกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตใจของเราไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตใจของเราส่วนใหญ่ในโลกเป็นผู้คิดผู้นึกผู้กลุ่มผู้แต่งไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสังเกตให้ดีใจเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะเราคิดทั้งวันเรารู้เรื่องราวที่เราคิดสังเกตให้ดีนะพวกเราเวลาเราคิดอะไรไปเนี่ยเรามักจะรู้เรื่องที่เราคิด เรื่องราวที่เราคิดนี่เรียกว่าสมมุติบัญญัติแต่ในขณะที่เรารู้เรื่องราวที่เราคิดนะเราจะลืมกายลืมใจตัวเองมีกายก็เหมือน ixe, ไม่มีนะเช่นนั่งอยู่ไม่รู้ว่านั่งอยู่นั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้เรื่องขยักหน ING, ้านึกนึกนึกนะในใจไป็นที่อื่นเราไม่รู้กายร่างกายเคลื่อนไหวไม่รู้สึกเราไม่รู้ใจตัวเองจิตใจเราเป็นสุขก็ไม่รู้เป็นทุกข์ก็ไม่รู้เฉยๆก็ไม่รู้เป็นกุศลก็ไม่รู้เป็นอกุศลก็ไม่รู้ เราไม่รู้อะไรเลยที่เกี่ยวกับตัวเราเองไม่รู้อะไรที่เกี่ยวกับกายกับใจเรารู้แต่เรื่องราวที่เราคิดเอาเองการที่รู้เรื่องราวที่คิดเอาเองน่ะเรียกว่ารู้สมมติบัญญัตในขณะที่การรู้กายรู้ใ จ, เ ร, าา เ, รรใจเรียกว่ากายกับใจเป็นอารมณ์ปรมาฟังแล้วฟังน่ารู้ใจเอาเรียกว่ากายกับใจก็แล้วกันนะให้คอรู้กายรู้ใจไว้คนในโลกไม่รู้กายรู้ใจมีแต่คนลืมตัวมีแต่คนหลงมีแต่คนเผลอ เผลคิดทั้งวันเวลาเราดูเราก็เผลอดูเวลาฟังเราก็เผลอฟังเวลาคิดเราก็เผลอไปคิดลืมกายลืมใจตัวเองตลอดเวลาเมื่อเราลืมกายลืมใจตลอดอย่างนี้เราก็ไม่สามารถเรียนรู้กายรู้ใจปัญญามันไม่เกิดไม่สามารถเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกเราไปหลงคิดคิดอยู่ความเป็นตัวเราก็เกิดขึ้นมา นี่ทำไงเราจะรู้กายรู้ใจได้ศัตรูของการรู้กายรู้ใจเรามีสองอย่างศัตรูหมายเลขหนึ่งก็คือการที่เราหลงไปอยู่กับความคิดของเรานั่นแหละศัตรูหมายเลขหนึ่งถ้าเมื่อไรเราสามารถรู้ทันว่าใจเราไหลไปคิดแล้วเมื่อนั้นเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันหือในฉับพลันเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วเราจะตื่นในฉับพลันธรรมะเนี่ยใครเข้าถึงแล้วจะอุทานบอกว่าอัศจรรย์จริง อัศจรดูในพระไตรปิฎกนะเวลาพระพุทธเจ้าเทศจบคนจะบูทานนะอัศจรรย์จริงเจียมแจ้งนะักพระเจ้าข่าไม่เจีมแจ้งนะไม่ใช่ว่าสับสนนะักพระเจ้าข่าน ะ, แ, ะแจีมแจ้งนะักพระเจ้าข่าเหมือนเปิดของคว่ำให้เหงาของง่ายๆนะพระพุทธเจ้าก็เหมือนคนจุดไฟขึ้นมาแล้วคนตาดีก็มองเห็นแสงสว่างมองเห็นสิ่งต่างๆนั้นธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องยาก แต่พวกเราไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ฟังเราชอบไปคิดเอาเองชอบลงอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไหร่จะตื่นขึ้นมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงตัวนี้ที่ยากที่สุดทางลัดที่สุดที่จะตื่นขึ้นมานะก็คือรู้ทันว่าใจเราหนีไปคิดมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งไม่ใช่สายวัดป่าหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนวัดสนามในสิ่นกันล้นะหลวงพ่อเทียนทัานสองหน้าฟังเหมือนกัน ามารมะมันลงกันนะสายไหนก็เหมือนกันแนหะถ้าทําถูกต้องก็อันเดียวกันหลวงพ่อเตียนท่านสอนบอกว่าถ้าเมื่อไ ร, ร, อไ ร, ร, ไรฐฐ่รู้ว่าจิตคิดถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดสองอันนี้ไม่เหมือนกันในโลกนี้มีแต่คนที่รู้เรื่องที่จิตคิดแต่ไม่รู้ว่าจิตกํลาลังแอบไปคิดอยู่งั้นหน้าที่ของเราไปศึกษาค่คสังเกตตัวเอง ศึกษายังไงสังเกตอย่างไงเอาตั้งแต่ตอนนี้เลยศึกษาตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเรียนกับหลวงพ่อนะไม่ต้องเรียนแล้วฟังให้รู้เรื่องเรียนรหัสสังเกตสภาวะจริงๆไปเลยนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมเดี๋ยวมองหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งเดี๋ยวฟังหลวงพ่อพูดหน่อยหนึ่งแล้วก็แอบไปคิดดูออกไหมฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังนิดหนึ่งแล้วก็คิดแต่คิดตามไปนะแล้วก็ฟังใหม่ฟังอีกหน่อยหนึ่งคิดใหม่อีก เนี่ยเราจะฟังไปคิดไปบานทีก็มองหน้าหลวงพ่อนิดนึงนะและ้วก็มาฟังฟังแล้วก็คิดเราไม่เคยเห็นเลยว่ากระบวนการทางานหัใจเรามันทำแบบนี้เดี๋ยวฟังเดี๋ยวดูเดี๋ยวคิดนะมันจริงมันไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นะแหละแต่ที่ไปมากก็คือไปทางตาไปทางหูไปทางใจขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยสังเกต ด, ดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวดูเดี๋ยวคิดสลับไปเรื่อยๆนี่ให้เราคอรู้ทันนะ ถ้าเรารู้ทานวัตใจเราไปคิดแป๊บเดียวขนาดจิตนั้นเราจะตื่นขึ้นในฉักพันเลยเพราะเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความจริงในฉักพันทันทีที่เราตื่นขึ้นมาเราอยู่ในโลกของความจริงแล้นถ้าสติเราเรึกรู้กายเราจะเห็นทันทีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นภูมบังคับไม่ได้ คนทั่วๆไปจะลืมตัวเองนะลืมกายลืมใจจะไม่เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าหรอกอย่างพระพุทธเจ้าสอนเราบอกว่าคันห้าเป็นทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์คนทั่วๆไปไม่มีใครรู้สึกหรอกว่ากายกับใจเป็นทุกข์กระทั่งพวกเราในท้อง น, นี้นะสิ่งที่พวกเรารู้สึกก็คือร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตใจของเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง น, นี่เราไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนท่านบอกว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ เราเห็นว่ามันทุกขบ้างสุขบ้างทํายังไงจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆรงตรงตามคําสอนของพระพุทธเจา้าถ้าไม่สามารถเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆแต่เห็นว่ามันทุกขบ้างสุขบ้างเราจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะกายนี้ยังมีทางเลือกนะมันสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เพราะงั้นเราขอเลือกเอาสุขไว้ก่อนขอเลือกวิ่งหนีความทุกข์ไว้ก่อนจิตใจก็เหมือนกันถ้ายังมีสุขบ้างทุกข์บ้าง เราก็จะเรื่องเอาจิตใจที่มีความสุขหลีบหนีจิตใจที่มีความทุขเพราะงั้นจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้จริงแต่ถ้าเมื่อไหร่สติปัญญาแก่กล้าเห็นในกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าสติปัญญาเห็นได้ถึงขนาดนี้มันจะกว้างทิ้งเลยนะ มันจะปล่อยวางกายปล่อยวางใจไม่ต้องเชื้อเชิญไม่ต้องบังคับมันจะสลัดทิ้งเองเพราะมันรู้แล้วเป็นของไม่ดีเป็นของเป็นทุกข์จะทิ้งเลยงั้นเห็นทุกข์นั่นแหละถึงจะเห็นธรรมนี่วิธีการที่เราจะเห็นกายเป็นทุกข์ทำยังไงหลวงพ่อจะบอกว่าวิธีเห็นกายเป็นทุกข์กัวิธีเห็นจิตเป็นทุกข์วิธีเห็นกายเป็นทุกข์ไม่ยากนะอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยคอยรู้สึกไว้อย่าใจลอยอย่าเผลอไปคิดอะไรเรื่อยเปื่อยแต่รู้สึกตัวเองเป็นระยะระยะ เราจะเห็นเลยว่าเรานั่งอย่างสบายๆประเดี๋ยวเดียวก็เมื่อยนะนั่งแต่เดี๋ยวเดียวก็เมืออม่อยพอเมื่อยแล้วเราทํำยังไงเราก็ขยับตัวเราเปลี่ยนอิริยาบถนะพอเมือ่อยปุ๊บเราก็ขยับอัตโนมัติเนี่ยเพอเราหนีความเมื่อยด้วยวิธีนี้มาตลอดชีวิตแล้วเราไม่เคยรู้สึกเลยพอเมื่อยขึ้นมาเราก็ขยับตัวปับ๊บความเมื่อยหายไปนะเรารู้สึกไม่เห็นจะทุกตรงไหนเลยแต่เดี๋ยวความเมื่อยก็ตามมาทันอีกแล้วก็ขยับอีกนะนั่งอยู่ก็นั่งขยับไปเรื่อยๆ ยืนอยู่ก็ยืนขยับไปเรื่อยๆนะเดินมันก็ขยับอยู่แล้วล่ะเดินมากๆมันก็เมื่ อ, อยนะนอนอยู่อย่างเมื่อยเลยกลางคือเนี่คนเรานะคนปกติเนี่ยสมมุตินอนแปดชั่วโมงจะนอนพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ต่ำกว่าห้าสิบครั้งทําไมต้องนอนพลิกก็เพราะมันมันเป็นทุกข์นั่นนี่ความทุกข์มันบีบพันร่างกายมันทําให้ต้องคอยขยับหนีไปเรื่อยๆอิริยาบถคือการเปลี่ยนแปลงการเคื่อนใยร่างกายเนี่ย มันปิดบังทําให้เรามองเห็นความทุกข์ของกายไม่ได้งั้นอย่าเรานั่งอยู่ในนั่งแนั่งให้สบายๆนะมีตังค์มากๆไปซื้อเก้าอี้ตัวละแสนมานั่งก็ได้ดูสิมันจะมีความสุขจริงไหมถ้าไม่ขาดสตินั่งประเดี๋ยวเดียวก็จะเห็นแล้วมันทุกข์นะมันทุกข์จริงๆมันทุกข์ล้วนๆนั่งไม่ขยับตีทุกข์ตายเลยนะถ้าเป็นอมาาัมพาตเป็นอะไรยิ่งกระดุกกระดิกไม่ได้นะทุกข์มากเลยแล้วก็ดินหนีความทุกข์ไปทั้งวัน ได้แต่ตื่นจนหลับหลับแล้วก็ยังดิ้นไปดิ้นมานี่ยถ้าเรามีสติรู้กายอยู่เนืองๆจะเห็นในกายนี้ทุกล้วนๆเลยไม่ใช่ทุกบ้างทุกบ้างคราวนี้มาดูจิตใจบ้างธรรมะก็มีแต่เรื่องกายกับใจนี่แหละรู้กายแล้วว่ากายเป็นทุกข์ก็มาดูใจของเราจะเห็นว่าใจเรามันไม่เที่ยนความสุข ก, ก็อยู่ชั่วคราวนะความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวกุศลเกิดขึ้นก็ชั่วคราวเช่นเราเกิดความรู้สึกตัวมึ้นเราจะรู้สึกตัวได้แว บ, บเดียว เดี๋ยวก็จะเผลอเดี๋ยวจะลืมตัวครั้งใหม่เพราะฉะนั้นตัวอุสลหรือความรู้สึกตัวหรือตัวสติเองก็เกิดชั่วคราวเหมือนกันไม่มีใครรักษาความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องยาวนานได้นะสิ่งที่ทําให้ต่อเนื่องยาวนานได้เมีย่งเดียวคือสมาธิแต่ไม่ใช่ตัวสตินะสติไม่ต่อนะต่อเนื่องยาวนานที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นขณะขณะไปอกุปสนอย่างความโลภ ค, ความโกรธความหลงก็เกิดเป็นขณะขณะเหมือนกัน เช่นที่หลวงพ่อบอกให้หัดเมื่อกีนะนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวก็ดูใจมันไปดูนะไปดูอาศัยตาเป็นทางผ่านไปดูรูปอาศัยหูเป็นทางผ่านไปฟังเสียงอาศัยใจเป็นทางผ่านไปคิดตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจทํางานหมุนจี๋จี๋อยู่ทั้งวันแบบนี้เดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสังเกตแจขงเราหาความเที่ยงแท้อะไรไม่ได้นะ ใจเราวิ่งคลานคลานตลอดเวลาใจเราถูกความอยากหยิบค้ำอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็ Samsung, Freiheit, อยากฟังเดี๋ยวก็อยากคิดเดี๋ยวอยากโน้นอยากนี่รวมทั้งอยากปฏิบัติอยากฟังธรรมอยากไปวัดนะอยากมาสาร า, ล, าลุงชินความอยากนี่มันบงการเราตลอดเวลาถ้าเราคอยรู้อยู่ที่ใจเรา <S <S เราจะเห็นเลยจิตใจเราไม่เคยเป็นอิสระเลยจิตใจเราเป็นที่ค่าของความอยากตลอดเวลานะถ้าพูดอยากอยากมันเหมือนเป็นที่ค่าเป็นทาสเขาตลอดเวลามันสั่งเราทั้งวันนะ สั่ง <unlucky. S 2> อย่างนโน้นสั่งอย <ifs. S 1> ่างนี um, sir, yeah. um, ้เราก็ต้องทําตามมันเช่นมันสั่งให้ไปเที่ยวเนี่ยตันหามันสั่งให้ไปเที่ยวเราไม่รู้ทันนะเราก็ไปเที่ยวสบายใจตันหาเป็นเจ้านายที่ฉลาดที่สุดรู้จักให้คุณให้โทษมันสั่งให้เราไปเที่ยวถ้าเราได้ไปเที่ยวเนี่ยมันจะให้รางวัลเรานิดหนึ่งจะสบายใจแต่สบายใจแวบเดียวนะมันจะสั่งงานชิ้นใหม่อีกแล้วถ้ามันสั่งให้ไปเที่ยวแล้วเราไม่ไปเที่ยวมันจะลงโทษเรา เราจะรู้สึกรุ่งใจคืออัดมันสั่งให้จีบสาวสักคนหนึ่งนะได้ไปจีบสาวหนึ่งคนมีความสุขแล้วพอได้หนึ่งคนมันสั่งอีกให้จีบสองคนถ้าไม่จีบจะรุ่งใจอีกละนี่มันจะสั่งเราทั้งวันนะดูตกคนที่ตกเป็นทาสเนี่ยมันจะมีความสุขที่ตรงไหนคอยดูอยู่ที่ใจเราจะเห็นเลยใจเรานี่ถุกบกถูกตับอยู่ทั้งวันความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยมีแต่ความเหน็เหนื่อยนะ ร่างกายของเรายังได้นอนพักแต่จิตใจนี่แทบไม่ได้พักผ่อนเลยกลางคืนก็ฝันต่ออีกนะเหมือนพอรมานมากมีความทุกข์มากคอยรู้อยู่ที่จิตใจเราเนี่ยจะเห็นในยจิตใจที่ทุกข์มากจิตใจต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พักผ่อนบุกตังตลอดเวลาเจ้านายมันโปกมันสับตลอดเวลานี่เราก็ไม่รู้เราไม่เคยเห็นเราเป็นภาพที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นภาพ เมื่อเราเป็นภาพที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นภาพเนเราไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้เพราเราไม่รู้ว่าเราเป็นภาพอยู่ให้คอยดูใจเราไว้นะใจเราเดี๋ยวก็อยากไปโน่นเดี๋ยวก็อยากไปนี่นะเดี๋ยวอยากคุยกับคนนี้เดี๋ยวอยากโน่นอยากนี้ไปด้วย <S <S คิดว่าถ้าอยากได้อย่างนี้นะแล้วได้มาเราจะมีความสุขกิเลสมันหลอกเรานะให้วิ่งหาความสุขวิ่งทั้งชาติก็ไม่ได้นะความสุขอะอย่าตอนเราเด็กๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยถ้าเรียนหนังสือจบจะมีความสุข พอเรียนจบปริญญาตรีมันบอกสอนนะต้องจบโทถึงจะมีความสุขถ้าได้ด็อกเตอร์ก็ยิ่งมีความสุขเนี่ยพอเรียนหนังสือจบแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะนะไม่เห็นมันจะสุขตรงไหนเลยในนี้ก็มีด็อกเตอร์หลายคนแล้วไม่เห็นจะมีความสุขเท่าไหร่มันสอนเราต่ออีกนะถ้าได้งานดีๆจะมีความสุขถ้าได้เงินเดือนเยอะๆจะมีความสุขนะมีคำว่าท่าตลอดเลยนะถ้าได้ตําแหน่งใหญ่ๆจะมีความสุขมีแตรคำว่าท่านะเพราะฉะนั้นชีวิตนี่วิ่งหาความสุขทั้งชาติเลยนะ ไปถ้าได้มีครอบครัวที่ดีๆจะมีความสุขมีลูกฉลาดฉลาดจะมีความสุขไปพอแก่ๆนะถ้าวันไหนไม่เจ็บไม่ไข้จะมีความสุขพอแก่มากจะใกล้าตายเจ็บปวดทรมานมากเราจะรู้สึกขึ้นมาอีกแลถ้าตายจะได้จะมีความสุขหรือจนตายยังคิดติดนะถ้าตายได้จะมีความสุขเนียวิ่งหาความสุขไปเรื่อยๆจะวิ่งคลานคลานคลานนะยิ่งกว่าหมาถูกน้ําร้อนนะพูดพูดแบบง่ายๆ วิ่งพลาดตลอดเวลาแล้วมันจะมีความสุขที่ไหนมันไม่ได้มีความสุขความสุขมันรออยู่ข้างหน้าตลอดเวลาวิ่งหาตลอดชีวิตก็ไม่ได้มันมาวิ่งเหมือนจะหยิบได้นะเหมือนจะคว้ า, ามันได้แล้วก็เลื่อนหายไปหลุดมือไปไปรออยู่ข้างหน้าอีกค่ะวิ่งไปเรื่อยๆเน่ถ้าเราหมาคอยรู้อยู่ที่ใจเราจะเห็นว่าโอ้หน้าเนี่ยอนาดน้ําตาแทบร่วงเลยนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยมันดีตรงไหนจะเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆนะรู้กายไป ากายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีความทุบบีบทั้งตลอดเวลาจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงมีความไม่เป็นอิสระถูกกดขี่ถูกบังคับอยู่ตลอดเวลาเนีไม่ใช่เจ้านายของตัวเองนะไม่ใช่เป็นอัตตาได้หรอกไม่ได้มีเจ้าภาพเจ้าของกับมันได้ต้อดูเรื่อยๆนะพอดูไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นความจริงความจริงคือตัวปัญญาเราจะเห็นเป็นลําดับลําดับไป ปัญญาเรื่องต้นเลยเราจะเห็นเลยร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงต้นทีเดียวก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราก่อนร่างกายดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราแต่จิตใจดูยากว่าไม่ใช่ตัวเราเระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าดูก่อนที่สูตทั้งหลายผู้ทูชนที่ไม่ได้สะดับอย่างคนศาสนาอื่นก็ได้ผู้ทูชนที่ไม่ได้สะดับเนี่ยสามารถเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรา เพราะว่าเห็นนะคนน tiger, grew, ้นก็ตายคนนี้ก็ตายนะหน้าตาเราวันนี้กับหน้าตาของเราตอนเด็กๆก็ไม่เหมือนกันเห็นได้แต่ท่านบอกคุทุชนที่ไม่ได้สะดับไม่ได้ฟังธรรมของท่านเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราตอนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เป็นเราคนเดิมรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆก็ยังเป็นเราคนเดิม เรื่องว่าอะไรเพราะเราไม่เห yes, ็นความเกิดตักของจิตนั่นเองเราเลยคิดว่าจิตเที่ยงจิตของเราตอนเด็กกับตอนนี้คนเดียวกันจิตของเราวันนี้กับจิตของเราเย็นนี้ก็คนเดียวกันเรายังเป็นคนเดิมอยู่จิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตปีหน้าก็เป็นคนเดิมตายไปแล้วเราก็ยังจะว่าอีงว่าจิตชาติหน้ากับจิตเดี๋ยวนี้ยังเป็นคนเดิมอีกเยเพราะเราไม่เห็นความจริงเราไม่เห็นความจริงว่าจิตนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพระเจ้าท่าสอนจิตอาศัยอยู่ในกายนี้ ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนแล้วก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วเราไม่เคยเห็นถ้าเรามาคอยรู้มาคอยดูนะดูใจของเราดูไปเรื่อยๆวิธีดูจิตใจนะขั้นแรกง่ายที่สุดคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไหมความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะบางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นบางวันตื่นขึ้นมาก็แห้งแล้งเนี่ยจิตใจไม่เหมือนกันดูเป็นวันวันได้ก็ดูเป็นเวลา นะตอนเช้าบางคนจะรีบมาสารารุงินนะักเพื่อนไห้เพื่อนมาสายใจก็กลุ่มใจนะหงุดหงิดนะนใจิตแจหงุดหงิดนะหลวงพ่อมาใหม่ๆเริ่มฟังใหม่ๆตื่นเต้นฟังมาหลายนาทีชัก็นง่วงง่วงแต่ดูแจงเราความรู้สึกของเราเปลี่ยนแต่หัดดูไปได้ไม่ใช่หัดบังคับนะไม่ได้เรียนเพื่อจะบังคับกายบังคับใจแต่หัดดูให้เห็นความเป็นจริง นะกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ฝึกบังคับฝึกดูให้เห็นความจริตจิตใจไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวนะดีก็ชั่วคราว ม, วา ม, ความีความโลภความโกรธความหลงเรืองแต่ของชั่วคราวนี่ดูลงไปอย่างนี้ในที่สุดเราจะเห็นเลยจิตทุกชนิดเลยนะจิตที่เป็นกุศลก็ชั่วคราวจิตอาภูศลก็ชั่วคราวนี่จิตมันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆ อราไปดูให้ละเอียดขึ้นไปอีกจิตที่ไปทางตาก็ชั่วคราวจิตที่ไปทางหูก็ชั่วคราวจิตที่ไปคิดก็ชั่วคราวอย่านั่งฟังหลวงพ่อพูดนี่เดี๋ยวมองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดสลับไปสลับมาจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาหันรู้หัดดูสิมันทนสติทนปัญญาของเราไม่ได้หรอกหรู้หัดดูมากเข้ามากเข้าจะเห็นเลยโอ้จิตนี้ไม่เชี่ยงนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตนี้เป็นอนัตตาเราบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันดีก็ไม่ได้นะห้ามมันไม่ให้ชั่วก็ไม่ได้ ไปดูไปเรื่อยเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เปลนะือนะหัดดูไปเปลอแวบไปรู้สึกแวบไปรู้สึกไปเรื่อยจิตที่เปลอไปน็ปนอกุศลเกิดขึ้นมาห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวคือรู้ทันว่าเมื่อกี้เปลอไปเนี่ยสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะแต่ถ้าจิตมันจําได้ว่าเปลอเป็นยังไงเนี่ยสติถึงจะเกิดมันจะระลึกได้เลยเปลอไปแล้วนะเปลอไปแล้วนะรู้ตามหลังไปติดติอย่างนี้ตลอดเวลาการดูจิต ด, ดูตามหลังไปเรื่อยๆนะดูไปเมือ izard, ม่อกี้เปลอไปแล้วเมือ izard, ม่อกีอ izard, ้เปลอไปแล้ว รู้ไปเร<ๆ>ื<ๆ>่อยๆเมื me, ่อก <im itar area> you know ี้โกรธไปแล้วเมื่อกี้โลภไปแล้วคอยรู้ไปดูตามหลังไปเรื่อยๆอเช่นเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเราปั๊บเนี่ยมันโกรธแล้วโกรธรู้ว่าโกรธตกวธรู้ว่าโกรธถ้ารู้ถูกต้องในความโกรธจะดับทันทีแล้วก็รู้อีกความโกรธดับไปแล้วถ้ารู้ไม่ถูกต้องความโกรธเกิดขึ้นอยากให้หายโกรธอยากให้หายโกรธนี่จิตมีโทสะอีกแล้วมีโทสะตัวที่สองอันแรกไอ้โกรธไอ้คนที่ปาดหน้าเราอันที่สองโกรธตัวเองที่มันมีกิเลส โปรดความโกรธที่เกิดขึ้นเราก็รู้ตามลงไปทีละขณะทีละขณะจิตใจตอนนี้กําลังโปรดความโกรธตัวแรกอยู่รู้ทันรู้ทันในความโกรธจะดับไปเลยจิตจะตื่นขึ้นมาเต็มที่ขึ้นนะคอยตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆนะไม่ได้เรื่องยากอะไรเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆง่ายนะมันยากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฝังสิ่งที่พวกเราได้ศึกษาอบรมส่วนมากก็คือคุณียาที่สังขารความปรุงแต่งฝ่ายดี อันที่ที่เราคิดถึงการปฏิบัติเราก็จะเริ่มบังคับกายบังคับใจตัวเองบางคนกนําหนดลมหายใจนะหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยนะพ<ม> อ, อกําหนดลมหายใจเหนื่อยจะตายแล้วนะบางคนเดินช้อปปิ้งนะเช้ายันค่าไม่เหนื่อย<ม>เดินโจงกลมห้านาทีใกล้จะตายแล้วนะ<ม>เหนื่อย<ม>ทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะมันดัดแปลงตัวเองตลอดเวลารู้สึกมไหมมีคนเข้ามาหาพระเนี่ยพวกเราไปดูเห็นหมเราดูคนเรา น้ำมาถวายพระขณะที่เราดูเขาเนี่ยเราลืมตัวเราเองเรียบร้อยแล้วเนะนี่ยจิตมันหลงไปทางตารู้สึกไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดใจเราเริ่มเริ่มเคลื่อนไหวนะรู้สึกไหมนี่หัดดูไปอย่างเนี้หัดดูลงปัจจุบันลนะง่ายๆ ง, ง่ายมากบางคนหลวงพ่อบอกง่ายมากก็เลยบอกยากเยอะนะ <c oughs> แต่ครูบาอาจารยนะ์ทุกองค์นะที่หลวงพ่อเคยสัมผัสมา ท่านบอกง่ายหลวงปู ด, ดูลงก็ว่าง่ายหลวงปูดเทพี่วงปู่สิมอะไรนี้ว่าง่ายง่ายหลวงปู่สุวัสดิ์บอกง่ายง่ายท่านง่ายแล้วท่านเงียบเงียบเป็นนิดหนึ่งแล้วแล้วท่านก็จะบอกว่าึแต่มันก็ยากเหมือนกันแหละทำไมมันยากเหมือนกันแหละเราไม่เคยเรียนไม่เคยรู้เราเคยฝึกแต่จะบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจบังคับกายบางับบงคับใจคืออัตตากิรมาสถานุโยกนะ คือความสุดต่งข้างบังคับตัวเองตนะ้งเข้าใจเดินทางสายกลางเนี่ยให้รู้กายให้รู้ใจต่างความเป็นจิจิตใจจะมีความสุขรู้กายก็เห็นเออกายไม่ใช่ตัวเรารู้จิตจิตมันไม่เที่ยงเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันจบแล้วเนะาะธรรมะจริงๆมีไม่มากหรอกครูบนาะอาจารย์บางองสอ น, นิดเดียวนะอย่างหลวงปู่ ด, ดูลบอกว่าอย่าส่งี่ด อ, อกนอกตามนิดเดียว อย่าส่กี่ด อ, อกนอกก็คืออย่าหลงอย่าเผลอนั่นเองไปรู้สึกตัวไปหนูพ่อเตียนก็สอนนะคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวอะไรเงี้ยผู้บาอาจารย์จริงๆแต่ลงสอนนิดเดียวเวลาใจเราคิดมันหลงไปพอเรารู้สึกขึ้นมามันก็ไม่หลงแนละ้วหลงก็ตายไปเหมือนแมวมันจับหนูไปแนละ้วจริงๆไม่ได้ยากอะไรหรอกหลวงพ้อเทศไม่เป็นนะเทศไม่เป็นหรอก ธรรมดาจะสอนกรรมฐานสอนที่ละคนสองคนสอนให้หัดดูสภาวะหัดดูสภาวะเช่นขณะนี้ใจลอยไปแล้วก็หัดรู้ไว้นะขณะนี้เปลอไปแล้วนะขณะนี้สงสัยขึ้นมาแล้วรู้นะเนี่ยหัดรู้ขณะนี้ฟังแล้วไม่รู้เรื่องลำคาญนะรู้ว่าลำคาญขณะนี้ชักซึมซึมแลนะ้วรู้ว่าซึมซึมเนี่ยหัดรู้ไปอย่างเนี้ยหัดรู้ไปเรื่อยๆหลักจริงๆมีเท่านี้เองนอกนั้นจะเป็นเรื่องวิธีการแนละ้ เร่ออุบายแต่และสํานักไม่เหมือนกันสํานักไหนก็ใช้ได้นะหลักหยับหลักให้แม่นแล้วทําสรมฐานอะไรก็ใช้ได้อย่างไปหัดพุทโธแล้วก็พุทโธของเราต่อไปพุทโธแล้วก็หัดรู้สภาวะไปนะเช่นพุทโธพุทโธใจเราแอบไปคิดแล้วพุทโธใจเราแอบไปคิดเรารู้ทันว่าใจหนีไปคิดแล้วนี่หัดรู้ทันใจตัวเองหัดรู้สภาวะพุทโธพุทโธไปใจสงบรู้ว่าสงบเนี่ยพุทโธไปวันนี้ใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่าน หัดฟุตโธแล้วก็ฝังรู้ทําสภาวะในใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคนไหนหัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจต่อไปห้ามเลิกหายใจนะพยายามหายใจเข้าไว้ตลอดชีวิตหายใจไว้อย่าหยุดนะหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดหายใจแล้วจิตเข้าไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจหายใจแล้วมีปีติมีความสุขรู้ว่ามีปิติรู้ว่ามีความสุขจนวันนี้หายใจแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะ หายใจแล้วราคาญหงุดหงิดรูว่าหงุดหงิดะหายใจแล้วจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะคนไหนหัดดูท้องของยุบก็ดูไปนะหลวงพ่อไม่ได้ห้ามนะดูท้องของยุบไปเรื่อยๆใจหนีไปคิดอีกแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ทันนะใจเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกใจเกิดกุศลเกิดนักกุศลอะไรก็รู้ทันหัดรู้สภาวะของใจไว้นะคนไหนขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนนะหัดทําจังหวะขยับมือ ขยับมือไปก็ขยับต่อไปได้ไม่ห้ามขยับไปสักพักหนึจิตหนีไปคิดแล้วรู้ว่าจิตหนีไปคิดขยับแล้วจิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือรู้ว่าจิตก็ไปเพ่งในมือขยับแล้วจิตเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้จิตเป็นกุศลเป็นอกุศลก็รู้ขยับไปแล้วก็คอยรู้สภาวะของจิตใจไปเรื่อยๆใครเดินจงกรงก็เดินไปนะเดินไปเดินไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลเอกุศลก็รู้ ฉะนั้นสรุปแล้วก็คือทํากรรมฐานอะไรก็ได้เบื้องต้นเนะี่ยทำมันสักอย่างหนึ่งก่อนทํามันเพื่ออะไรเพื่อจะได้คอยหัดรู้สภาวะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเองนะมีรูปแบบการปฏิบัติสักอันนึงขึ้นมาเป็นตัวตั้งขนัดอะไรเอาอันนั้นแหละไม่ต้องเปลี่ยนนะถนัดอะไรเอาอันนั้นแต่ว่าทํากรรมฐานอันนั้นแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆในที่สุดเวลาเราเห็นซ้ําๆๆไปนานๆนะพอจิตเราเผลอต่อไปพอจิตเผลอปั๊บเนี่ย จิตมัเคยรู้จักแล้วว่าเผลอเป็นยังไงสติจะเกิดเองสติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้สติไม่ได้เกิดจากการสั่งให้เกิดสั่งให้เกิดไม่ได้เพราะสติเองก็เป็นอนัตตาถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดเห <tr uth> <คร> <ik> ตุนี้สติคือจิตมันจำสภาวะได้ถ้าเราถึงต้องหัดรู้กายเนืองๆรู้จิตเนืองๆเพื่อให้จิตมันจําสภาวะได้เคลื่อยับแล้วคอยรู้สึกขยับแล้วคอรู้สึกแต่มาพอเราเผลอเราเกิดขยับตัวปั๊บเนี่ย สติจะเกิดเองแล้วจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะหัดดูใจใจวิ่งไปใจเพ่งใจเป็นสุขเป็นทุกข์ไปกุศลนอกสุขสหัดรู้ไปเรื่อยนะแต่มาเราเผลอๆเช่นเราฟังข่าวโทรทัศน์นะเราเปิดไม่ชอบการเมืองนะฟังข่าวแล้วหงุดหงิดสติจะเกิดทันทีเลยความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วสติจะเห็นทันทีเห็นโดยไม่ได้เจตนาจะเห็นสติตัวจริงเกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาให้เกิด ทันทีที่สติตัวจริงเกิดจิตจะเป็นกุศลจิตจะมีความสุขในฉับลันนะจิตจะโปร่งใจจะโล่งจะเบาขึ้นมาในฉับลันเลยจิตใจจะตั้งมั่นอยู่ที่เนื้อที่ตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวนี่สามารถสมาธิเกิดเลยนะเพราะั้นทันทีที่สติเกิดจิตมีความสุขจิตมันเป็นกุศลมันมีความสุขจิตที่มีความสุขหรือความสุขทําให้สมาธิเกิดขึ้นเช่นเรามีความสุขในการเล่นไพ่เราจะมีสมาธิในการเล่นไพ่ มีความตุกในการอ่านหนังสือจะมีสมาธิในการอ่านหนังสือมีความตุกจากการที่ได้รู้กายรู้ใจเราจะมีสมาธิในการรู้กายรู้ใจจิตใจจะตั้งมั่นอยู่กับกายกับใจสมาธิจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะเรามีสติรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจใจิตใจเราตั้งมั่นมีสมาธิตั้งอยู่ที่กายที่ใจตั้งไปนานๆรู้ไปบ่อยๆในที่สุดเราจะเห็นความเป็นจริงของกายของใจ ปัญญาก็คือการที ngày, ่เราเห็นความเป็นจริงของกายของใจนั่นเองกายที่เป็นทุกข์ล้วนๆนะกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะนี่เรียกว่าปัญญาจิตใจไม่เที่ยงนะจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้สั่งห้ามไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นอนัตตาเนี่ยดูกายดูใจไปในที่สุดก็เห็นกายกับใจมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาม่ใช่ตัวเราผู้ใดเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราจะได้พระโสดาบัน จิตมันจะรวมเข้ามานะมันรวมเองรวมเข้าอัปปนาสมาธิเองนะแล้วมันจะตัดไม่ใช่โมเมเป็นพระโสดาบันตามใจชอบนะมันมีกระบวนการที่จิตจะตัดอันนี้ท่าอภิธรามตอนไว้ชัดๆแนละ้วไม่ใช่หลวงพ่อสอนนะมีเบื้องต้นมันจะเห็นเลยกายกระใจไม่ใช่เราเห็นเลยกายกระใจเป็นของที่ยืมโลกเขามาใช้เราไปยืมเข้ามาแต่เราวบยืมมาแต่ห่วงนะไม่คืนเจ้าของ คล้ายๆเรายืมเสื้อสวยๆเข้ามาใส่นะยืมมาแล้วยืมเลยไม่หยั่คืนแต่รู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราพระโสดาบันรู้แล้วว่ากายกใจไม่ใช่ของเราแต่หวงพะรู้ไปเรื่อยเลยโอกายนี้ทุกล้วนๆหนิไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างจิตปล่อยวางความยึดตือกายได้จิตจะมาตั้งมั่นทรงตัวเด่นดวงนะสว่างสวายอยู่มีความสุขอยู่ที่จิตอันเดียวปล่อยวางกายได้นี่ภูมิของพระอนาคามี เามาสติปัญญาแก่รอบจริงๆเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวสุขนะแต่เดิมคิดว่าจิตเป็นจิตผู้รู้แล้วเป็นตัวสุขจิตที่หลงตามกิเลสเป็นตัวทุกข์คิดอย่างนี้ถานาคามีก็รู้สึกอย่างนั้นถนาคามีก็ยังรู้สึกว่าจิตตัวจิตผู้รู้นี่เป็นสุขจิตตัวผู้รู้มันเนี่งเป็นตัวดีจิตที่หลงไปจากการรู้นี่เป็นตัวไม่ดีเป็นตัวทุกข์เห็นเป็นสองอัน สติปัญญาแก่รอบจริงๆเราก็เห็นเลยจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะไอตัวธาตุรู้ตัวผู้รู้ที่ว่าวิเศษวิโสเนี่ยแหละมันไม่เที่ยงมันเศร้าหมองได้มันห่องไสได้มันเศร้าหมองได้นะเร้าหมองได้ก็ห่องใสได้ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะทุกข์ล้วนๆทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนในทางโลกในทางร่างกายนะหลวงพ่อเคยได้ยินบอกว่าผู้หญิงชาวลาวบอกว่าออกรูปนี่ทุกข์ที่สุดในโลกหลวงพ่อไม่เคยออกลูปนะ เลยไม่รู้ว่าทุกขี่สุดในโลกทางกายเป็นยังไงนีพวกเราัปมาหาดูนะทุกขี่สุดในโลกทางใจก็คือตัวจิตผู้รู้ของเรานี่แหละจะทุกขี่สุดในโลกที่ดูมาเห็นว่าเป็นตัวทุกข์จริงๆแล้วจะปล่อยวางอ่ะถ้าก็จะไม่ไปหยิบชวยอะไรขึ้นมาอีกเนะพราะรู้แล้วว่ากระทั่งสิ่งที่ดีที่สุดวิเศษที่สุดยังเป็นตัวทุกข์เลยบางท่านสติปัญญากล้า ท่าเห็นเลยตัวจิตผู้รู้ไม่ใช่ตัวเราเหรอท่านกวางทิ้งเลยนะท่านปล่อยวางทิ้งเฉยๆเลยปล่อยวางได้ถ้าเห็นม่ามันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยสลัดทิ้งไปคราวนี้พอปล่อยวางความยึดถือจิตได้แล้วเนมันไปอีกแบบหนึ่งจิตใจมันไม่มีขอบมีเขตแล้วมีความสุกล้วนๆค่อยฝึกนะค่อฝึกธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์เข้าใจนิดหน่อยก็มีความสุกแล้ว แค่สติเกิดก็มีความสุขแล้วสมาสัมมาสมาธิเกิดก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกปัญญาเกิดก็มีความสุขอีกมิมุติเกิดก็มีความสุขมากนะถึงนิพพานยิ่งมีความสุขที่สุดเป็นลําดับลําดับไปเพรา้นเราศึกษาธรรมะเราจะมีแต่ความสุขทั้งๆ ท, ที่เราเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆก็เนี่ยมันจะสุขนี่มันอัศจรรย์เรียนรู้ทุกข์แล้วมันสุขนะเที่ยวสแสวงหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์ ไม่พ้นเลยจะทุกอย่างเดียวนะคอยรู้ไปนะไม่มีอะไรสอรนเะนาะหลวงพ่อก็พูดส่งเดชไปเรื่อยๆแหลคนไปฟังหลวงพ่อที่เมืองการเมืง่งที่เมืองชนมื่นะก็ไปฟังซ้ำซากอย่างนี้ทุกวันนะที่เกียรฟังก็เอาซีดีไปฟังนะธรรมะที่หลวงพ่อเทศแต่ละครั้งเนี่ยฟังครั้งเดียวก็พอละวแหละหมาถึงฟังเรื่องเดียว ใครหัดเทปไว้ก็เอาไปฟังแล้วฟังอีกนะฟังจนเทปยืดแล้วจะตื่นขึ้นมาหลายคนที่ฟังฟังอยู่ม้วนเดียวนั้นแหละฟังจนตื่นขึ้นมาคนฟังคนฟังซีดีดีฟังมันก็นานหน่อยนะมันสิบกว่าชั่วโมงฟังไปเรื่อยแล้วก็สังเกตใจตัวเองไปเรื่อยเดี๋ยวฟังไปเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลายฟังไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมา งั้นคนที่ฟังแล้วตื่นขึ้นมามีจํานวนมากมายนะไม่ใช่ร้อยเดียวแล้วมีจํานวนมากพอตื่นขึ้นมาเนี่ยสติปัญญาจะหมุนจีรัาบตัวระทังเดี๋ยวก็รู้กายเห็นกายไม่ใช่เราเดี๋ยวรู้จิตเห็นจิตมันไม่ใช่เราเดี๋ยวรู้สึกขึ้นมาไม่ใช่คิดเอานะมีปรัสนาคิดเอาไม่ได้ต้องรู้สึกเอารู้สึกได้เพราะว่าใจเราไม่หลงไม่เผลอรู้กายรู้ใจขึ้นมาฉั้นให้การบ้านไปฟังเราเอง ส่นหนังสือหลวงพ่ออ่านยากนะอ่านยากายากฟังซีดีก่อนยังง่ายกว่าฟัางไปแล้วก็ไปสะเกตใจแต่ไปสักพักหนึ่งไปอานหนังสือโอ้จะเกิดความเข้าใจนะซีดีหลวงพ่อกับหนังสือหลวงพ่อรับราไม่เหมือนใครนะฟังแต่ละครั้งฟังแต่ละครั้งอ่านแต่ละครั้งเข้าใจไม่เหมือนกันปลาช้าเลยนะอลองดูฟังสักรอบหนึ่งแล้วลองปฏิบัติ แล้วก็มาฟังใหม่เข้าใจไม่เหมือนเดิมหรอกลองอ่านดูแล้วปฏิบัติแล้วมาอ่านใหม่รับรองไม่เหมือนเดิมมีเรื่องที่เราเคยอ่านแล้วก็ไม่สะดุดตาสะดุดใจเนี่าไปเยอะแยะเลยอจะค่อยๆกระจายขึ้นทีละจุดทีละจุดค่อยๆฟังไปค่ายๆสะดุดตาไปไม่ต้องรีบร้อนนะหลวงปู่เทสบอกว่าชีวิตเป็นของหาง่ายต้องรีบร้อนปฏิบัตินเนี่ยปฏิบัติจะทั้งชีวิตเลยค่อยๆทำค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปแต่ไม่ขี้เกียจนะ ไม่ได้บอกให้ขี้เกียจนะต้องดูทุกวันดูยิ่งดูมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ไม่ใช่ดูแบบลุกลี้ลุกลนอยากจะได้ความรู้ไวๆอยากหลุดพ้นไวๆพวงนี้ไม่หลุดพ้นหรอกไปดูดูเล่นๆไปแต่ขยันดูดูทุกวันทุกวันนี้สุดก็เข้าใจเข้าใจมันก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เพราะว่าเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดปัญญาปล่อยวางได้ไม่ใช่เพราะบังคับเอาหลายคนคิดชอบบังคับตัวเองบังคับบังคับปล่อยวางไม่ได้หรอก เก็บกดเฉยๆดูดีดูดีดูเรียบร้อยไม่ดีจริงหรอกพอหรอยังหลวงพ่อเคสารอีกหนึ่งคนไม่กี่คนนะเยอะๆหรือจะพูดยังไงนะเห็นหน้าก็ตาลายละใเก็ฑ์ไหมพอหลรงพ่อพูดเล่นพวกเรารู้สึกขวัลายรู้สึกไหมรู้ทันความรู้สึกของตัวเอง นั่งฟังหลวงพ่อไม่ต้อคิดมากรับรองเลยไม่มีใครฟังหลวงข้อรู้เรื่องหรอกเพราะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังเอาเองอ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านธรรมะตัวจริงเรียนได้ด้วยการเข้าไปสัมผัสเอาเข้าไปรู้สึกเอารู้สึกอยู่ที่กายก็เข้าใจความเป็นจริงของกายรู <bao secondary S 2> ้สึกอยู่ที่ใจก็เข้าใจความเป็นจริงของจิตใจต้องรู้สึกรู้สึกเอามีใจลอยไปได้รู้สึกเอานะ าใครจะถามอะไรเชิญเอเดี๋ยวหลวงพว่อต้องอธิบายก่อนนะหลวงพ่อมาที่เนี่ยเพื่อจะมาสงเคราะห์คนที่ไปที่โน้นยากงั้นพวกหน้าซ้าตากจากที่โน้อนอย่าถามเลยนะ <c oughs> อะไรนะห <c oughs> นังสือเขามีแจกไง แต่วันนี้ไม่มีแล้วเนาะคุณธนาเขาเตรียมมาสองร้อยเล่มพวกเรามามากเกินไปไปอ่านจากหนังสือพิมพ์ได้นี่เน็ตเห็นนังสือหนังสือพิมพ์อยู่นี้อ่านในเน็ตก็มีมั้งนะอ่านจากอินเทอร์เน็ตก็ ม, มีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะรู้แต่แค่นี้แหละอินเทอร์เน็ตตรงไหนก็ไม่รู้ผู้จัดการผู้จัดการลงกินละมิ๊ดไว้ปะ แล้วไม่แล้วมันมีทั้งเล่มไหนแบบหรือให้อ่านสีละท่อนเท่าที่ออกแล้วสือ่อถิมได้แต่ไม่ใช่ไปิมพ์ขายเนาะมันทำเฮลไฟล์ Fi ได้เห็นเขาทำเฮลไฟล์ Fi เล็กนิดเดียวหนังสืออยากได้นะไปขอคุณธนานคุณธนาทั้นั้นอะให้ดูอวุตโสมากๆหน่อยยืนอยู่นนเนี่ย แต่ใครมีแล้วอยาเอานะหลวงพ่อพิมมาได้หมื่นกว่าเล่มเองเอาไว้แจกคนที่ยังไม่มีในคนไหนยังไม่เคยไปเรียนหรือไปเรียนยากๆอ่ะนะอยากคุยกับหลวงพ่อก็ได้นะพวกที่ขับรถไปได้ก็ให้โอกาสคนที่เขาไม่มีโอกาสหน่อยนะบางคนบอกหลวงพ่อมาส่งเคร้องชาวลานขับเข้าใจผิดนะ ชาวลานทําแขนขายาวขับรถรถุดรัดรุดรัดเดี๋ยวข้าวัด น, นั้นวันนี้นะช่วยตัวเองเอาหลวงพ่อเห็นใจคนที่ขึ้นรถเมยอ่ะขึ้นรถเมยไปยากนะทไม่เห็นใจมากเพราะแต่ก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ขึ้นรถเมยไปไปยากแนละ้วนั่งรถไปทั้งคืนเลยไปถึงแล้วยังต้องไปเดินบางทีเดินอีกตั้งวันนะลําบากครูบาอาจารย์อยู่ไกลน่าเชิญไม่ชี ต้องเดินคืออย่างนี้การปฏิบัติที่บอกว่าอย่าบังคับหมายถึงว่าให้เรารักที่จะทําเหตุนะแต่อยญ่อยากได้ผลเราต้องมีฉันทะเราต้องอยากปฏิบัตินะใจมันต้องมีความรักที่จะปฏิบัติมันมีคําอยู่สองคำที่ไม่เหมือนกันคนํานึงคือฉันทะคํานึงคือปัญหาปัญหาเนี่ยอยากได้ผลขี้เกียจปฏิบัตินะแต่อยากได้ผลพวงนี้ไม่ได้ผลหรอก อีกพวกหนึ่งมีฉันทะมีความสุขมีความเพลิดเพลินพอใจที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองเพราะงั้นถ้าคนไหนมีฉันทะเนี่ยมันจะขยันดูไม่สนใจเลยว่าคนจะเป็นยังไงจะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจบ่อยๆมันรู้เองนะไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืนใจมันรู้เองแต่ถ้าแม่ชีเกิดขี้เกียจนะแม่ชีขี้เกียจให้ดูลงไปที่ความรู้สึกขี้เกียจความขี้เกียจนั้นเป็นกิเลสให้เรามีสติรู้ทันขี้เกียจหลวงพ่ชาเคยสอนนะ ขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัติแต่ไม่ได้บังคับนะว่าห้ามขี้เกียจไม่ได้ห้ามขี้เกียจนะไม่ใช่บังคับว่าต้องขยันนะแต่ถ้าเมื่อไรขี้เกียจขึ้นมามีสติรู้ทันว่ากาลังขี้เกียจอยู่ยต้องสิต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่บังคับเช่นห้ามขี้เกียจนะห้ามโกรธนะห้ามโลภนะเสติต้องเกิดนะอะไรนี้นี่บังคับหออ หรือความโกรธเกิดขึ้นแล้วพยายามทาให้มันหายไปเพราพอโกรธขึ้นมาปุ๊บพุทโธพุทโธจะให้หายโกรธนี่พยายามบังคับมันจะได้แต่สมถะถ้าความโกรธปุดขึ้นมาเราเห็นเลยความโกรธเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในใจเรามีอยู่ชั่วคราวเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่ได้บังคับนะอย่างนี้แต่ว่ากิเลสเกิดต้องรู้เพราะฉะนขี้เกียจขึ้นมาเมื่อไหร่นะดูขี้เกียจขี้เกียจก็ดูขี้เกียจไปดูไปเลยห้ามเลิกนะ การปฏิบัติต้องกับติตนะต้องกัดติดกัดไม่ปล่อยหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สามกุมภาปีสองห้าไปหาหลวงปู่ 2, 5, ด, ดูลย์หลวงปู่ ด, ดูลบอกให้ดูจิตตัวเองตั้งแต่วันนั้นไม่เลิกดูจิตเลยนะดูทั้งวันเลยยกเว้นเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดอนะ่ะเวลาที่เราทํางานที่ใช้ความคิดเนี่ยเราดูจิตใจดูกายอะไรนี้ไม่ได้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติก็ไม่ได้จ้างเราปฏิบัติเขาจ้างเราทํางานนะนั้นให้รู้รู้กายรู้ใจไม่ได้ก็ต้องไปจดจ่ออยู่กับเรื่องราวที่เราทํางานะ แต่เวลาที่เหลือเนี่ยเราต้องคอยรู้กายรู้ใจเองหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นค า, ารวนะตั้งแต่ยี่สามพฤษภาสองห้าดูทุกวันเลยตอนนั้นรับราชการอยู่นะตื่นนอนตอนเช้านึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งเลยรับราช ก, การชั้นดีนะนะเป็นบ้างไหมนะนี่รัฐวิสาใหกิจชั้นดีนะตื่นขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแรงรู้ว่าแห้งแรงปฏิบัติแล้วนะแต่เห็นเลยความแห้งแล้งมาได้ก็ไปได้ นะเกิดขึ้นได้ก็ดับได้ไม่ต้องไปดับมันนะดูให้เห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับต้องดูของจริงๆไม่ใช่ไปดับมันดูให้มันเห็นไปดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันดับให้ดูความนึกได้ว่าวันนี้มันสุกนะจิตใจมีความสุขพันทีเลยนะนี่เป็นอย่างนี้นะข้าราชการชั้นดีสมัยขนะองพ่อเราจะขึ้นรถเมล์ไปทํางานเห็นคนเต็มป้ายรถเมล์เลยมีความสุขไหมเคยขึ้นรถเมล์ไหมนะมีเพื่อนร่วมทางห้าร้อยคนรอจะขึ้นรถขันเดียวกัน่ จิตใจไม่มีความสุขนะ้วรู้ว่าไม่มีความสุขเนะี่ยขึ้นรถเมย์รถเมย์ว่างๆนะมีความสุขอนะัดดูอีกนีดูทั้งวันเลยนะตากระทบรูปนะตาไปมองเห็นอะไรความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันที่ใจเรานะเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจมันกลัวรู้ว่ากลัวนะรู้ว่ากลัวแล้วต้องหลีกให้ทันนะไม่ใช่อุเบกขานะงโง่นะยืนให้หมากัดนะต้องหลบ ไม่ใช่อุเบกขาแบบควายนะสมริชาเรียนะอุเบกขาแบบควายฝนะตกรลังคาร่วก็ไม่ซ่อมบอกว่าอุเบกขาอะไรเนงะีนะ้ยต้องมีสติปัญญารักษาตัวตามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนแสลงรู้ทันนะจมูกได้กลิน่นะเช่นเราอยู่ในบ้านเราเนี้ยอยู่อยู่ได้กลิ่นอะไรเน่าๆนนะเราจะไม่สบายใจสงสัยจิ้งจบมาตายหรือหนูมาตายเนี่ยรู้ว่าไม่สบายใจเวลาไปอยู่ตามวัดในป่า ได้กลิ่นเน่ า, นาล้วเราไม่คิดถึงจริ้งจบกับหนูนะอ่าสงสัยผีจะมาแล้วคราวนี้นะคราวนี้เปรียนเป็นกลัวกลัวรู้ว่ากลั ว, ล ว, ลวนี่หัดดูไปอย่างเนี้ยตามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนก็รู้หูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่นก็รู้นะอะไรเกิดขึ้นใจเราไปคิดความรู้สึกเปลี่ยนแนะ ป, ปลแงไปก็รู้นู่นน่นไม่ใช่คนนี้อมีอะไรไหม สติเนี่ยต้องทําให้ได้ในชีวิตประจําวันนะเพราะอะไรชีวิตส่วนใหญ่ของเราคือชีวิตที่อยู่ปกตินี่แหละถ้าหากเราปฏิบัติได้เฉพาะตอนไปเข้าคอร์สหรือตอนไปอยู่วัดเนี่ยปีหนึ่งมีนิดเดียวนะการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดอยู่ที่ชีวิตประจําวันเราไปเข้าคอร์สเข้าวัด เ, เพื่อรู้วิธีปฏิบัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องมาใช้ให้ไดนะ้วิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่ายที่สุดนะก็คือการดูจิตตัวเอง น, นั่นเอง เช่นคนเขาชมเรานะใจเราพองเลยเราต้รู้ว่าดีใจลวนะวคนเขาว่าเรานนะใจเราโมโหขึ้นมาเรารู้ว่าโมโหแล้วเนี่ยอยู่ในชีวิตธรรมดานะการปฏิบัติไม่หนีออกไปจากโลกนี้เลยอยู่กับโลกนี้แหละคือคนที่เรียนกรรมาฐานกับหลวงพ่อเนี่ยนะก่อนจะเรียนจะเป็นคนดีนะแต่เรียนแล้วจะชั่วสุดๆเลยนะ เพาะอะไรเพราะแต่เดิมเนี้ยกิเลสอยู่ในใจเราเราไม่เคยเห็นเราก็คิดว่าเราดีแล้วนะแต่พอเรามาหัดรู้หัดดูมารู้ทันตัวเองนะจะร้ายมากเลยมีอยู่ทีมหนึ่งเขาตั้งชื่อทีมว่าสิบเอ็ดนางสาเนะอามาหัดดูสักพักหนึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นสิบเอ็ดแม่มดนะเพราะ้ใครดูนะนะกิเลสเกิดทั้งวันเลยครนะูสอนเกิดน้อยนะอรูสอนเกิดเยอะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวเบือ่อเดี๋ยวหงุดหงิดนะจะเป็นอย่างนี้ทั้งหัด ถ้าเก็บโปรดนะไม่เป็นเพ่งนิ่งๆชื่อๆนะมีความสุขอยู่ทั้งวันก็รู้สึกว่าดีที่จริงไม่ดีซ่อนริเ์สไหมค่ะ เ, เรียนถามท่านนะคว่าท่อนบอกว่าเมื่อเรารู้เก็บอะไรขึ้นมาให้สโลราเรารู้ว่าโดไม่ต้องฆ่งไม่ต้องเลยนะน ม, มันอดภาคไม่ได้ใหม่ๆมันภาคทุกคนเลยเนะเราห้ามมันไม่ได้มันจะภาคาภาคก็จิตมันฟุ้งซ่านไปก็ช่างมันนะไม่ห้ามนะห้ามไม่ได้ จิตจะภาคก็ห้ามไม่ได้ตอนนี้กลังแล้วนะอะมันอดมอดภาคไม่ได้ก็ช่างมันดูไปนะฝึกหลายปีกว่าจะเลิกภาคเออการดูกายเราต้องแยกกับนาวใช่อันนี่พอรู้รูปนะครับเอ่อรูปเด็รจะดูรูปยที่เกิดรูปที่เป็นเอ่อธรรมการ อะไรนะอะไรน ะ, ะรนะการรียนอ่าให้เป็นมะจะดูได้ยากกว่าทีนี้รูปที่เรารู้จักเนี่ยนะเราเราแต่ละคนไม่เห็นรูปเรารู้แต่อย่างร่างกายนี่เห็นมือใช่ไหมนี่มือไม่ใช่รูปนะมือคือสมมติบัญญัติเพราะหลังไม่เรียกมือเรียกแขนคนจริงเรียกชิ่ว อ, อย่างเงี้ยสิ่งที่ตาเราเมาเห็นจริงๆอะคือรูปถามว่าตาเรามองเห็นอะไรเรามองเห็นสีที่ตัดกันเป็นรูปได้อย่างนี้ และตัวสีเนี่ยเป็นตัวรูปที่แท้จริงนะหรือตัวที่นั่งอยู่เนีนะ้มีความรู้สึกตัวที่นั่งอยู่นี้เป็นรูปเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอะไรก้อนหนึ่งที่มันมานั่งอยู่นี้ที่มันมาเดินอยู่นี่แต่ถ้ามันมีความรู้สึกว่านี่มือนี่เท้านี่แขนนี่ขานี่ท้องอะไรนะนั่นเป็นอวัยวะต่างๆเป็นบัญจัพถ้าอวัยวะแต่ละชิ้นที่เป็นรูปจริงๆก็คือาธาตุนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าผมก็ต้องคือาธาตุอย่างหนึ่ง นะก็ธาตุลุ่มหนึ่งไม่ใช่ธาตอย่างหนึ่งธาตุจุมหนึ่งนะที่เราสมมุติเรียกนะว่าผมผลเล็บฟันหนังก็คือธาตุแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มธนะาตุสี่นั่นเองในชีวิตจิงเราจะต้องรู้จุดไปในหลังจากเหรูปคือย่งนี้เราไม่สามารถบังคับจิตให้เห็นรูปได้นะจิตจะเห็นรูปได้ดีถ้าจิตตั้งมั่นเพียงพอเพราะฉะนั้นคนไหนที่อยากจะรู้รูปนี่นะควรจะทําสมาธิซะก่อน ประจิตเราตั้งมั่นคอเนี่ยมันจะแยกรูปกับนามออกมาใจมันจะเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายมันจะเป็นรูปให้ดูมันจะเป็นวัตถุเป็นก้อนผ้าให้ดูเราจะรู้สึกทันทีเลยตัวนี้ไม่ใช่เราแล้วเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งอย่างนี้เราจะรู้สึกถึงความมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งซึ่งเรียกว่ารูปจิตมันต้องหลอดถอนขึ้นมากเป็นผู้รู้ผู้ดูเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะมาเจริญปัญญาเห็นกายเป็นตัวรูปรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เนี่ย จิตต้องตั้งมั่นก่อนเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณิเหมาะกับคนเล่นฐานครูบาอาจารย์เราส่วนใหญ่นะมาสาราลูินเนี่ยส่วนมากค ร, ร, รูบาอาจารย์ใสยวัดป่าให้ครูบาอาจารย์วัดป่าทําสมาธิก่อนมาทําสมาธิจนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะหลวงพ่อเข้าวัดป่าสมัยก่อนนะเข้าวัดไหนก็จะได้ยินครูบาอาจารย์พูดแต่คําว่าจิตผู้รู้นะเดี๋ยวนี้รุ่นหลังๆเนะี่ยเข้าไปที่ไหนได้ยินเรื่องนิมิตรู้สึกไหมนิมิตไม่ใช่เรื่องจิตผู้รู้หละมันเปลี่ยนเรื่องไป สมัยก่อนเข้าตรงไหนครูบาอาจารย์จะสอนแตจิตผู้รู้มีจิตตั้งมั่นอยู่เป็นคนดูนี้ทําไมจิตถึงตั้งเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้ท่านหัดพุทโธหัดหายใจไปพุทโธพุทโธไปแล้วก็เห็นเลยพุทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหรือหัดหายใจไปก็เห็นวนะ่าเออไอตัวที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแล้วจิตจะตั้งมั่นอยู่ต่างหากนะร่างกายอยู่นี่จิตมันตั้งเป็นคนดู พอจิตมันแยกตัวออกมามันไม่คิดไม่นึกอะไรแล้วเนี่ยเป็นคนดูเฉยๆเนี่ยกายเนี่ยจะแสดงความเป็นรูปให้เห็นได้ง่ายๆเนี่ยเพราะจริงๆมันเป็นรูปอยู่แล้วเราไปสมมุติว่าเป็นกายเพราะความคิดของเราเองเป็นอวัยวะโน้นอวัยวะนี้เพราะความคิดเพราะฉะนั้นท่าจิตถอดถอนตัวเองมาเป็นคนดูเนี่ยเราจะเห็นรูปได้ง่ายเพราะฉะนั้นการเห็นรูปการเจริญกายานุปัสสนาที่จะเอามรคนิพพานควรจะทำสมาธิแต่ต้องเป็นสัมมาสมาธินะ มิจฉาสมาธิประเภทนั่งเคลิ้มงอแงงอแงไม่ได้กินหรอกนะขาสดสติของนในชีวิตประจำวันก็คืไปดูตามดูดูปกติไปก็เห็นร่างกายนี้มันเดินอยู่นะเห็นกายมันเดินใจมัเป็นคนดูอยู่อย่างนี้แต่ถ้าจะดูจิตก็คือาตามันมองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันหู้ได้หยิบเสียงความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันดูกายก็ได้ดูใจก็ได้แล้วแต่จะหลนะการดูจิตใจนี่ไม่ต้องทําสมาธิก่อนนะสมาธิจะเกิดทีหลังนะเป็นปัญญานําสมาธิ การดูกายเนี่ยใช้สมาธินำปัญญาดูจิตทำไมไม่ให้ทำสมาธิก่อนเช่นจิตฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าไปทำสมาธิก่อนจะไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดูมีแต่จิตสงบะก็จะเที่ยงอยู่อย่างนั้นเองน่าเชื่อวิธีอะไรนะลักลาบคุณคุณต้องเป็นผ้านักชาให้ได้ก่อนเออเียงไม่เป็นไม่ละหรอกนะคุณก็ เคยนะสมัยก่อนมีคล้ายๆอะไรนะเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อใกล้ชิดกันมากเลยนะเหมือนพี่เหมือนน้องกันไปวัดด้วยกันอตอนนั้นถัดใหม่ๆเลยไปหาหลวงปู่เทศกี่ะอองนั่แหละนะไปหาหลวงปู่เทศนะก็ถามประโยคที่คุณถามนี่นะคล้ายๆกันหลวงปู่ครับผมจะละกามจะทำยังไงหลวงปู่ยิ้มหวานนะแต่ท่านใจดีนะใจดีกว่าหลวงพ่อเยอะเลย ท่านก็พยายามตอบให้จะละได้ต้องเห็นโทษนะเห็นละกามนี้มีทุกข์มีโทษถึงจะละได้แต่คนที่จะเห็นละกามมีทุกข์มีโทษต้องเป็นผ้าน า, าคาถึงจะเห็นนี้ของเราก็คือปัจจัยความรุนแรงของมันจะตัง้งขั้นแรกเลยมีศีลศีลสําคัญนะมีศีลก่อนถึงต้องการในการมคุณอามรมณ์รุนแรงแค่ไหนอย่าให้ผิดศีลศีลเป็นมาตรฐานขั้นต่ํา ส, สุดของมนุษย์ล้ ถัดจากนั้นถ้ากามมันเกิดขึ้นเรามีวิธีจัดการหลายอย่างดีที่สุดเลยรู้ลงไปเลยว่ากามมันเกิดขึ้นรูว้วาราคเกิดขึ้นรู้ว่าราคาเกิดขึ้นราคาก็จะตั้งอยู่ดับไปให้ดูถ้าดูตรงนี้ไม่ได้ก็จะเห็นอีกนะมาดูที่กายเราก็ได้เห็นเลยกามกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งกามก็อยู่ส่วนหนึ่งจัดมันแยกๆ แ, แยกขันไปเรื่อยๆก็ได้ หรือไม่ได้จริงๆเนีเวลาการมาราคาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะชวนให้คิดมันจะชวนให้คิดเช่นคิดถึงสาวอย่างน้นอย่างงี้คิดจะไปหลอกเขานะชอบพะเขาพามันคิดเลยคิดปฏิปุ้ดคิดอสุภะอะไรเงี้ยนี่เป็นการเตะผมเอาไว้เรียกว่าสมถะสมถะเพราะฉะนั้นเราจะสู้ด้วยสมถะก็ได้สู้ด้วยวิปัสสนาก็ได้แล้วแต่ความพร้อมทางจิตใจของเราพอการมาราคาเกิดขึ้นรู้ทันมะ่อกรรมเกิดขึ้นการก็ตั้งอยู่ดับไปให้ดู จิตของเราเป็นแค่คนดูไม่ได้กระเกือนอะไรกับการเลยนี่แบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งสมมติผู้ไม่ไหวจริงๆแล้วทำสมถะสมรถะที่เหมาะกับการสู้กามก็คือการพิจารณา ก, กายลงเป็นปติปูณิยัสุภะครูบาอาจารย์ชอบสอนเยอะนะในครูบาอาจารย์วัดป่าชอบสอนปฏิปูณิยสุภะเพระาะมันคมราคานะถ้าหนุ่มเน้นน้อยก็มาพิจารณาอย่างนี้ก็เอาตัวรอดได้ถ้าเกิดไปพิจารณาสุภะเนี่ยโอ้นอนท์ก็สวยนี่ก็สวยนะเดี๋ยวก็เสร็จเลย แต่คุณยังละไม่ได้นะขั้นแรกสุดคุณคือสิ่นไว้ต่อมาหักเจริญสติคุณให้สติตัวจริงเกิดนะวิธีทําสติให้เกิดก็คือหักรู้สภาวะไปนะเหลือไปแล้วก็รู้คิดไปแล้วนะเพ่งแล้วก็รู้สุขก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้นะราคะเกิดก็รู้โทสะโมหะเกิดคอยรู้ไปเรืนะ่อยๆแต่เป็นสติเกิดราคะเกิดปุ๊บสติเกิดปั๊บเย่ยราคะจะเด่นหายไปเลยนะต่อหน้าต่อตา โมหะดูยากดูยากที่สุดเลยนะโมหะเนี่ยคือสภาวธรรมที่ทําให้เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้หรือรู้ได้ก็รู้ได้ไม่ชัดเจนเส้นใจมันผุ่นใจมันมัวรู้สึกไหมบางวันตื่นขึ้นมาก็มัวมัวไม่ค่อยจะรู้เหนือรู้ใต้แล้วนะดูยากโมหะอีกชนิดหนึ่งคือใจมันฟุ้งซ่านแต่เห็นไหมใจเราฟุ้งเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจวิ่งตลอดเวลาใจไม่เคยตั้งมั่นเลยนั่นก็โมหะ ดูยากนะหายสิเพราะว่าความรู้สึกตัวโมหะนะส่งข้ามไปเลยนะโมหะเป็นความไม่รู้เป็นความหลงเป็นความไม่รู้ความรู้สึกตัวก็คือไม่หลงแต่ว่าพอความรู้สึกตัวความไม่หลงเกิดขึ้นแนละ้วเกิดชั่วขณะนะเดี๋ยวความหลงก็จะเกิดขึ้นแทนนะแล้วพอเราก็รู้ทันใหม่ความไม่หลงก็เกิดขึ้นมาใหม่ ฝึกไปอย่างนี้เดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็รู้สึกฝึกไปเรื่อยๆฝึกแค่นี้ก็พอแล้วที่จริงแล้วคําว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยหมายถึงการที่เราเรียนบางส่วนเรียนบางสิ่งเรียนแบบสุ่มตัวอย่างนะถ้าพูดแบบภาษาวิจัยก็คือเราเรียนแบบสุ่มตัวอย่างเราดูกายบางอย่างเท่านั้นอ่ะถ้าเข้าใจกายที่เราสุ่มมาเรียนแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจกายทั้งหมดดูจิตใจก็เหมือนกันเราดูจิตบางอย่าง ถ้าเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจจิตทั้งหมดยกตัวอย่างจิตที่เปลอไปกับจิตที่รู้สึกตัวเรียนมันคู่เดียวก็พอแล้วนะหรือจิตที่มีราคากับไม่มีราคา<ฟ>จิตที่มีโทสะกับไม่มีโทสะในสตนิปัฏฐานท่านจะสอนจิตไว้เป็นคู่คู่นึกออกไหมเด็ดคู่เดียวก็พอนะถ้าจิตที่ไม่มีราคากับมีราคาเนี่เกิดตลอดเวลาแล้วจิตก็มีสกลุ่มเท่านั้นเองคือจิตที่มีราคากับไม่มีราคานี่แยกด้วยราคานะถ้าแยกจิตทั้งหมดด้วยโทสะก็มี2กลุ่มคือจิตมีโทสะกับไม่มีโทสะ ถ้าเรียนจิตได้2ตัวนี้ก็คือเรียนจิตทั้งหมดได้ละนี่เรียกว่าจิตในจิตสุ่มตัวอย่างมาเรียนนะสิ่งที่หลวงพ่อแนะนําก็คือจิตที่เผลอไปจิตมีโมหะกับจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่มีโมหะจิตที่เผลอที่หลงในเ่ยพไหลแวบเราเกิดรู้สึกว่าไหลไปละเกิดจิตที่รู้สึกตัวนะเดี๋ยวอีกแวบหนึ่งก็จะไปอีกแล้วก็จะรู้สึกอีกนะสักพักหนึ่งตามรู้ตามดูไปนะบางคนเจ็วันเจ็ดเดือนเจ็ปีอะไรก็ดูไป ถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดข้อสรุปจิตใจมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจนะจิตที่เผลอเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของอกุศลแลจิตเนี่ยห้ามมันไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของป่ากุศลเสั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ด้วยมีแต่เกิดแล้วก็ดับนะ ใ, ในที่สุดเลยรู้เลยจิตทุกชนิดนะทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้นะเรียนส่วนย่อยแล้วรู้ทั้งหมดนี่เรียกว่าเรียนแบบสุ่มตัวอย่าง ศาสตราพระเราเรียกว่ า, ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตเรียนส่วนน้อยแล้วรู้ทั้งหมดเพราะให้คุณเรียนแค่ว่าใจเราไหลไปแล้วเราก็รู้ทันต้องรู้ตื่นขึ้นมานิดนึงไหลไปอีกรู้ใหม่มีคนหนึ่งนะอาจารย์สุรวัตรเขียนหนังสือเรื่องนับหนึ่งใช่ไหมมีแต่รู้กับเผลอรู้กับเผลอนะนั่นแหละไปลองไปอ่านดูนะเล่มเล็กๆนะถ้าเข้าใจตรงนั้นนะ่ามาทําได้แล้วทำได้ทั้งวันนะเพราะจิตเราทั้งวันมีแต่จิตที่รู้กับจิตที่เผลอ แ, แยกด้วยความโหลเนี่ยธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยปากการฟังคํ า, า, าตอบนะทำอะไรความสงสัยเกิดขึ้นในจิตคุณรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ความโง่ใสนั่นแหะจะเป็นครูสอนธรรมะคุณหรือความสง่ใสจะแสดงการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปให้ดูนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครสอนธรรมะพวกเราได้นะหลวงพ่อก็สอนไม่ได้นะถ้าพูดตามพระไตรปิฎกเนี่ยขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านยังบอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางนะท่านไม่ใช่ผู้ให้ธรร ม, มกกะกับเราแล้วเราไปรับมาจากท่านได้นะท่านเป็นผู้บอกทางคือบอกวิธีปฏิบัติให้เราหลวงพ่อก็จําวิธีที่ท่านบอกคือการรู้กายรู้ใจนี่เองมาบอกพวกเราต่อพวกเรามีหน้าที่ไปรู้กายรู้ใจแล้วกายกับใจของเราแต่ละคนแต่ละคนนั่นแหละจะเป็นครูที่สอนธรรมะเราอย่างความสงสัยเกิดขึ้นเราเห็นความสงสัยเกิดขึ้นได้ก็ดับได้ความโกรธเกิดได้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องดับไปจนได้ ความโลภความหลงล้วนแต่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปในที่สุดจะเกิดปัญญาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่คือภูมิของพระโสดาบันนะให้คุณอย่าถามหลวงพ่อเลยเชื่อเถอะถ้าสงสัยรู้ว่าสงสัยลงไปถ้าคุณถามหลวงพ่อคำถามที่หนึ่งพอหลวงพ่อตอบคุณจะได้ความจํากลับบ้างคุณจํำไหมไม่ใช่ความจริงนะความจําไม่ใช่ความจริงนะหรือนั่งคิดเอาเองแล้วก็รู้เรื่องขึ้นมานั่นมันความคิดก็ไม่ใช่ความจริง อยากจะเห็นความจริงก็ต้องดูของจริงนะของจริงคือกายกับใจดูมันเข้าไปเดี๋ยวมันก็แสดงความจริงให้ดูกายกับใจนี่แหละคือครูสอนธรรมะเราคนอื่นสอนธรรมะเราไม่ได้นะท่านถึงสอนอยังบอกว่าเอดิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดเห็นไหมไม่ได้ยกธรรมะให้นะแต่ให้มาลองปฏิบัตดิดูนะวิธีลองทํำยังไงโอปันญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองน้อมมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจตัวเอง เสร็จแล้วจะมีปัจจจตตังเวทีตัพโววินยูฮีวินยูชนรู้ด้วยตัวเองธรรมะต้องรู้ด้วยตัวเองนะเออลืมตาไว้ถ้านั่งสมาธิแล้วหลับนะเดินไหมเดินโยงคลุมไหมนะแต่ว่านิสัยพวกเราพอชอบนั่งสมาธิเราชอบไปนั่งหลับตาเนี่ยนั่งหลับตาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เพลือนง่ายนะยิ่งเปิดเทปครูบาอาจารย์ที่เสียงนุ่มๆหน่อยนะ ฟังไปเดี๋ยวก็คำนับพระธรรมไปเรื่อยนะคำนับไปชั่วโมงตื่นขึ้นมาแหนสดชื่นบอกวันนี้ภาวนาดีน ะ, <ünd ein> ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสัมนะสติเกิดจริงของคุณมันยังไม่เกิดขึ้นมานั้นต้องค่อยๆหัดสังเกตสภาวะไป เช่นขอบคนณเขาชมแล้วใจเราพองขึ้นมาก็รู้ถ้าเห็นอะไรมันพองชั่วคราวแล้วก็หายไปมันโกรธชั่วคราวแล้วก็หายไปพอยดูดูเล่นๆของคุณดูจริงจังเดินไปจริงจังเกินไปแล้วเคร่งเครียดถ้าเมาไืไรปฏิบัติแล้วรู้สึกเคร่งเครียดก็แสดงว่าทําผิดแน่นอนนะเพราะจิตที่มีสติจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะนุ่มนวลอ่อนโยนมันจะเบามันจะคล่องแคล่วว่อ ง, อ ง, องไวนะไม่ใช่หนักแน่นแข็งซึมซึ้ง น, นะคิดแต่แก้ไหม อยากแก้งเลยรู้ว่าอยากมันอะไรนะเออติดต้องเห็นเป็นทุกติดแล้วทำไมจะให้มันเป็นสุขหลักเพราะพระพุทธเจ้าบอกขันห้าเป็นทุกข์าไม่ได้บอกว่าให้มันเป็นสุขหนิ เห็นไหมพวกเราเวลาลงมือปฏิบัติธรรมนะสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ความจริงนะเราต้องการความสุขเห็นไหมสิ่งที่เราต้องการจัดการปฏิบัติธรรมคือความสุขความสงบความดีมีใครต้องการความจริงบ้างศาสนาพุทธสอนให้เราเข้าไปสัมผัสความจริงนะสัจจะอริยสัจจะคือความจริงของพระอริยความจริงของพระอริยก็คือกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ มันจะอยากนะใจมันใจมันยังแข็งเกินไปรู้สึกไหมยังบังคับตัวเองอยู่แข็งเกินไปจิดที่แข็งเกินไปนะไม่เป็นกุศลแพ้หรอกยังอยากปฏิบัติอยู่ไปรู้ทำตัวนี้นะที่จริงนะถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยความโกรธจะดับทันทีนะแต่ทําไมบางทีโกรธล้วก็รู้ว่าโกรธล้วก็อยู่นานๆได้เพราะสติไม่เกิดนะ ในขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยพอเรารู้ปับ๊บขณะแรกที่รู้นี่นะมันจะรู้ถูกต้องละวหลังจากนั้นเรามักจะหลงที่เราหลงไปคิดเรื่องเดิมอีกมันโกรธใหม่นะหรือพอเราไปเห็นความโกรธนี่ยเราไปเกลียดมันอยากให้ความโกรธหายนะเรากําลังมีความโกรธเรามีความเกลียดให้ความโกรธตัวแรกอะ่ะเพราะั้นจิตดวงนั้นที่เกิดขึ้นนะเป็นอกุศลจิตนะเพราะฉะนั้นไม่ไม่หายความโกรธไม่หายเพราะเราเติมเชื้อของความโกรธลงไปเรื่อย แต่ถ้าสติตัวจริงเกิดในอกุศลรรจะต้องดับทันทีเลยเออเลยหลวงพ่อหลวงพ่อตอบเลยนะตอบรวมๆเลยนะพวกนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มเคิมโยกๆยกเกิดอาการต่างๆนานานะนะลุกขึ้นมาเดินจงกรมไหม ไม่มันเดินเป็นเพราะว่าอะไรรู้ั้มเพราะใจเราเนี่ยน้อมเข้าไปหาความนิ่งเราไปบังคับตัวเองไปน้อมใจเข้าไปเกาะความนิ่งนลืมตัวแล้วรู้สึกไหมเว <c oughs> ลาที่ถามหลวงพ่อรู้สึกไหมหลงไปอยู่กับความคิดนั่งอยู่เนี่ยไม่รู้นะเนี่ย ใ, ใจลอยแว บ, บๆไปรู้ไหมอย่าว่าแต่นั่งหนึ่งนาทีไม่ได้เลยหลวงพ่อจะบอกความจริงให้ ในเวลาหนึ่งหรือสองวินาทีนะรู้สึกตัวไม่ได้หรอกแวบเดียวก็หลงแวบเดียวก็หลงนะไม่มีหรอกนะว่ารู้สึกตัวห้านาทีไม่มีหรอกนะนาทีหนึ่งหลงตั้งยี่สิบผลทไม่ได้เห็นไหมคิดจะทาเห็นไหมมันเป็นอัตราเหรอถึงจะทำได้อยากหายไหมให้รู้ว่าอยากนะกิเลสเกิดขึ้นมาให้รู้ตรงรู้ทันกิเลสเรานะ อย่างเป็นต้นมาเรานั่งแล้วโง่เงีงโงเงี้งทำไมอยากหายอยากหายมีหลายวิธีเลยอยากหายรู้ว่าอยากหายไปใจเป็นกลางกับมันนะแล้วมาดูที่ทำไมมันโง่เงกเพราะมันขาดสตินะการทําสมาธิต้องมีสติกํากับตลอดสายนะการปฏิบัติทําทิ้งสติไม่ได้นะถ้าเราทําสมาธิด้วยทิ้งสติมันจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิฉับสนเลยจะเคลิ้มๆเสียวเพราะเห็นโน้นเห็นนี่นะนะไม่เห็นก็บุญแล้วนะ แค่เห็นด้วยตาก็กิเลสมาไม่ทันแล้วนะเห็นด้วยใจอีกยิ่งไปใหญ่เลยถูกแต่ว่าสิ่งที่คุณปล่อยตอนนี้คุณจงใจปล่อยไปคุณรู้สึกไหมในใจของคุณนี่มีส่วนหนึ่งที่นิ่งคงที่อยู่ส่วนเนี้เป็นตัวที่แปลกปลอมขึ้นมา ต้องปล่อยด้วยสติปัญญาไม่ใช่ปล่อยด้วยการกบฏใจไว้ก็ถูกเหมือนกันอาพุโทโธได้นะได้สมถะเนะช่นความโกรธเกิดขึ้นเราพุโทโธหรือเราโกรดน้อโกรเน้อหายโกรธเนี่ยเราแก้ความโกรธได้ได้สมถะนะจิตใจสงบ ก็ดีแล้วนี่ดีแล้วอย่างน้อยก็ไม่ไปอับายละเ อ, อดีนะแต่ดีแบบสมถะแก้อีกคนละเราเพื่อให้เจ้าสอนเนี่ยนะธรรมะมีสองขั้นนะธรรมะมีสองส่วนส่วนของสมถะกับวิปัสสนาสมถะเนี่ยจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สงบทําให้สงบนะเช่น <c oughs> จิตมีความโกรธขึ้นมาพุโทโธพุโธหายโกรธโกรธหนักโกรธหนัหายโกรธ น, น, นี่แหละสมถะดีแบบสมถะ นะวิปัสนาเนี่ยไม่แก่นะไม่บังคับไม่กดข่มแต่ว่าเรียนรู้ความเป็นจริงเช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตมันจะตกรธห้ามมันไม่ได้ความโกรธเองก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะถ้าเรียนอย่างนี้เรียกว่าวิปัสนามีสองอันคุณคุณคุณรู้สึกไหมตอนที่มีสติอยู่เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่นิ่งอยู่ตลอด ใจเรามีความนิ่งคงที่อยู่อันหนึ่งดวออกไหมอันนี้คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราสร้างขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเรากลัวจะเผลอกลัวจะโหลเราก็เลยสร้างความนิ่งคงที่ไว้อันหนึง่งเราจะเห็นเลยทุกสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปหมดรูปเกิดขึ้นมาแล้วดับเสียงมาระดับนะกิเลสในใจมาแล้วระดับสิ่งที่ไม่ดับอย่างเดียวคือใจเราที่นิ่งๆอยู่เนี่ยโพ้ทานผ่านโธตัย ท, ทานจะหมดแล้วนะใกล้เวลาเลิกแล้วแก่อีกแล้ว จะเรียนสมถาถะหรือเรียนวิปัสสนาว่ามาเอาวิปัสสนาไม่แก่นะวิปัสสนาก็คือใจเราแข็งแข็งขึ้นมารู้ว่าแข็งแข็งนะหัดสังเกตตอนตื่นนอนนะพอตื่นนอนปั๊บเนี่ยพอเราคิดเรื่องการปฏิบัติเนี่ยใจเราจะกระดุกกระดิกลุกนิกลุกเล็ ก, ล ก, ลกนิดนึ่งนะแล้วก็เข้าไปเกาะนิ่งนิ่งไว้นะนั้นถ้าเราเห็นตั้งแต่ต้นทางที่มันจะเข้าไปเกาะเนี่ยมันจะไม่เข้าไปเอางี้เอานี้นะหลวงพ่อว่าถามหลวงพ่อเท่าไหร่ก็ไม่จบ นะแต่มีซีดีแล้วเอาซีดีไปฟังนะสีดีหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อกล้าท้าอย่างหนึ่งตอบได้ทุกเรื่องไปฟังกันนะเอาวนะันนี้ ส, สนเปิดแก่เวลานะญาติโยมรับก่อนนี่เจ้าของสถานที่เขาให้ถึงสิบโมงยัาวาริวาภูราภิริภูเรนศีสาพรางเอวเมวาอิโตจินนางเฟตานังอุปตะปฏิ อิทิต่างปฏิตังทุมหังจิปะเมวาสมิจศตูสัพเทปูเรนตูสังกป่าจันโทปันน า, าโซยัามนิโชติราโสยัถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรคโควินัสตูมาเตภวัตวันตรารโยสูพีทิคายยโกภาวอาภิวาธนาสีลิสนิจังาชาปจายโนจตารุ